สิบการเจริญพรมวิหารวงเล็บเปิดยี่สิบแปดเมษายน25งพั้าห้าสิเอ็ดในวงเล็บสองวงเล็บปิดสงสารกับเศร้าเนี่ยไม่เหมือนกันนะสงสารเป็นกุศลเศร้าเป็นอกุศลสงสารจริงๆคือคําว่าการุณาเห็นเขาเป็นทุกข์อยากให้เขาพ้นทุกข์ทีนี้ความอยากให้เขาพ้นทุกข์นี่มันไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่เป็นอุเบกขาพอไม่มีปัญญามันก็ไม่เกิดอุเบกขานะ ไม่รู้หรอกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมของตัวเองใจเราก็เลยยอมรับไม่ได้เห็นสุนัขมันน่าสงสารเกิดการุณาพอขาดอุเบกขากำกับมันก็พลิกเป็นโทสะเศร้าเป็นโทสะนะเศร้าเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเลี้ยงสัตว์นี่เมตตาการุณาได้แต่ก็ต้องมีอุเบกขานะถ้าไม่มีอุเบกขากำกับไม่พิจารณาลงไปว่าสัตว์ทั้งหลายมันก็มีกรรมของมันเองตัวกรุณามันจะพลิกเป็นโทสะ เพราะฉะนั้นตัวเมตตาก็เหมือนกันนะเห็นคนนี้แล้วรู้สึกสงสารเห็นคนนี้แล้วรู้สึกชอบอะไรอย่างนั้นเมตตาคือความรู้สึกเป็นมิตรเมตตากับคำว่ามิตรคำเดียวกันนะคำว่าไมตรีคาว่าเมตตาคำว่ามิตรคำว่าเมตรตรยะชื่อพระศีอรยะเมตรตรยะคาเดียวกันไมตรีคือความรู้สึกเป็นมิตรเวลาที่เรารู้สึกเป็นมิตรกับใครรู้สึกดีๆกับใครนี่ราคะมันจะแทรกเพราะฉะนั้นต้องมีสตินะ มีสติไม่มีปัญญาจิตไม่เป็นอุเบกขาไม่เมตตาเฉยๆแต่จะกลายเป็นราคะทีแรกก็เมตตาเขาดีๆเสร็จแล้วก็อยากรู้สึกว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันพร้อมที่จะพลิกเป็นอกุศลตลอดเวลามีเมตาก็พร้อมจะพลิกเป็นราคะมีกรุณาก็พร้อมที่จะเป็นโทสะมีมุทิตานะเห็นคนอื่นเขาดีก็ดีใจกับเขานะ แต่มันชักจะดีเกินไปไม่เห็นมันทําอะไรเลยทําไมมันดีอย่างนี้มันเกินไปโลกนี้ไม่ยุติธรรมไปโน่นแล้วเห็นไหมไม่อุเบกขาอุเบกขาไปเห็นสมบัติของเขาเช่นเขาได้ทรัพย์สมบัติหรือชื่อเสียงเกียรติยศเขาทําของเขามาสมควรแก่เหตุเป็นไปตามกรรมถ้าไม่เห็นตัวนี้ไม่มีอุเบกขาก็ไปอิจฉาเขาอุเบกขานะถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสติใจจะแห้งแล้งแข็งกระด้างแล้วบอกว่ามีอุเบกขา เห็น <He> คนจะตายบอกฉันอุเบกขาคนตกน้ําปอมแปม์ปอมแปมอยู่บอกฉันมีอุเบกขานี่เข้าใจผิดแล้วอุเบกขาหมายถึงว่าต้องทําเมตตาการุณามุทิตาให้เต็มที่นะแต่ทําด้วยเบกขาไม่ใช่ว่าอุเบกขาคือไม่ทําอะไรดังนั้นที่พวกเราฝึกสตินี่จําเป็นดีมากมีประโยชน์แค่เลี้ยงหมาก็ตกนรกได้แล้วหรือไปเกิดเป็นหมาได้นะต้องระวังมากนะพวกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วก็รักมากผูกพันมาก ถ้าตายในขณะที่จิตเป็นห่วงมันสมมุติว่าเราตายแล้วใครจะเลี้ยงมันนะจะมาเป็นเปรตอยู่กับหมาสมมุติว่ารักใครพอใจนะเอาหมาไปอุ้มไปกอดทุกวันนะตายไปก็เป็นหมาได้นะมันแล้วแต่ว่าจิตขณะนั้นเป็นอกุศลหรือเปล่าฉะนั้นเราต้องมีสติสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเห็นไหมใครถามเรื่องอะไรตอบได้หมดลงเรื่องสติได้แล้วถ้าลงได้อย่างนี้ก็เรียกว่าจบได้ถ้าลงสติไม่ได้จบไม่ลง